เพราะฉะนั้นในธรรมะเจ็ดข้อที่ผู้ใโยมฟังเนี่ยเข้าใจไหมเมื่อกี้ให้นั่งหลับตาฟังเนี่ยหนึ่งกัะละยาณมิตรสำคัญมากสองศีลที่เป็นสมบัตินี่สำคัญมากจะเปรียบเทียบให้เห็นแล้วศีลนี่เป็นเหมือนกับภาชนะที่เราจะต้องทำความสะอาดแล้ใช่สามอะไรฮะนะ โอ้แสดงว่าตั้งใจความจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยดีใจนะเนี่ยกัลยาณมิตรศีลสันทะอัตตะสัมปทาใช่ไมมีตนใช่ไหมมีตนเป็นสมบัติแล้วก็ทิฏฐิแล้วก็ความไม่ประมาทแล้วก็โยนิสมนานอธิการเจดขอเนีย่ยเป็นสมบัติเป็นพื้นเลยไม่งั้นนะยาก ยากจเจริญยากแต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ดีก็ยังสอนเรื่องการจเจริญสติอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่ว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยทำให้มากอบรมให้มากก็จะได้ส ม, มบัระทาน ได้ปวดชงได้วิมุตต์เหมือนกันเพราะสติที่เจริญขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานนั้นในเบื้องต้นเลยก็จะทำให้เกิดศีลลสังวรเกิดศีลเกิดศีลเกิดศีลแล้วก็เกิดเกิดมาเป็นลำดับตามความแข็งแรงของสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็เลย ให้ภาวนาเรื่องสติปัฏฐานสี่เรื่องที่อานาปานสติการปฏิบัติในแนวของสติปัฏฐานซึ่งเราก็มีกันหลายแนวนะไม่มีแนวไหนผิดหรอกเพราะมันใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งของสติแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนในมหาสติปัฏฐาน ที่เป็นหลักปฏิบัติที่ดูง่ายที่สุดแล้วก็ถูกกับจริตทุกๆจริตก็คืออนาปานสติ <c oughs> ในหลักของอานาปานสติที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากเลยมีแค่บาลีอยู่สองประโยคคือสโตโซสโตวะสะติ สตัวปัสติคือมีสติหายใจออกกับมีสติหายใจเข้าส่วนว่าที่มันเยอะๆๆๆนั่นคือท่านขยายขยายในเรื่องราวของลมที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยมันมียาวมีสั้นต้องรู้อย่างนั้นอย่ๆๆๆๆๆๆางนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านขยายไปแต่โดยรวมมีอยู่สองประโยคเท่านั้นคือมีสติหายใจออกกับมีสติหายใจเข้าจากนั้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในการมีสติในการรู้ลมหายใจเนี่ยให้จิตเพียงแค่รู้และดูไว้เห็นเป็นความจริงพอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดับไม่เอานะไม่ค้างพอสิ่งนั้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นและก็ดับไปก็เอาจิตมารู้ลมอ่านีแล้วก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆพอมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่รู้ลมหายใจ เช่นเกิดความคิดหรือจิตหลุดออกไปเรื่องอะไรก็ตามเกิดเวทนาเกิดขึ้นที่กายก็ตามจิตก็เข้าไปรู้รู้ความที่มันเกิดขึ้นความที่มันตั้งอยู่แล้วก็มันดับไปพอมันดับไปก็ยกจิตกลมารู้ลมนี่เป็นหลักปฏิบัติสั้นๆง่ายๆเมื่อวานนี้ไปไปที่เพชรบุรีในระหว่างนั่งรถไปก็เคยนั่งนึก ให้มันสั้นๆ้วยแต่งกลอนอาณาปันสติสำหรับที่จะไปพูดได้ที่เพชรบุรีควังหรือมเล่าให้เราควังอีริงลมเอ่ยลมหายใจเนะเข้าทางไหนออกทางนั้น อ, อ๋อใช่ไหมเออต้นลมเกิดเกิดสุดลมดับพลัน อต้นลมเกิดใช่ไหมพอลมหายใจเข้าสุดปั๊บมันก็ดับใช่ไหมต้นลมเกิดสุดลมดับทันทั้งลมสั้นและลมยาวรู้ลมในหายใจออกรู้ลมนอกหายใจเข้าอ่าดูสิใช่ป่ะเวลาเรารู้ลมหายใจออกเป็นรู้ลมอะไรลมที่มาจากข้างในเวลาเรารู้ลมหายใจเข้า เป็นลมที่มาจากข้างนอกรู้ลมในหายใจออกรู้ลมนอกหายใจเข้าใส่ใจทั้งสั้นยาวลมออกเข้าเฝ้ารู้ทันอืมฮะอะไรนะสิ่งใดๆที่ปรากฏนี่คือสภาวะเลยนะ สิ่งใดๆที่ปรากฏจิตกำหนดอย่า ง, งหุนหันแค่ดูและรู้ทันแล้วจึงหันมารู้ลมจบมจบเลยโอเคเนี่ยง่ายง่ายให้มาความใหม่อีกทีนลมเอย๋ยลมหายใจเข้าทางไหนออกทางนั้น ไรวะต้นลมเกิดสุดลมดับพลันทั้งลมสั้นและลมยาวรู้ลมในที่ไหลออกรู้ลมนอกที่ไหลเข้าใส่ใจทั้งสั้นยาวลมออกเข้าเข้ารู้ทันสิ่งใดใดที่ปรากฏ จิตกำหนดอย่าหุนหันแค่ดูและรู้ทันแล้วจึงหันมารู้ลมจบอ่ะการภาวนามันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรืยเืยยอะไรเกิดขึ้นปั๊บไม่ใส่ไม่ยึดไม่ปรุงไม่แต่งไม่แช่ไม่ต่อแค่ดูและรู้ทันคบว่ารู้ทันคือเห็นตามความเป็นจริงเพราะมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปพอมันดับไปปั๊บหันมารู้ลมพอเห็นมันดับไปปั๊บหันมารู้ลม เห็นมันดับไปตัวหนึ่งนี่จิตจะสะสมเป็นปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่จิตไปเห็นความจริงที่สภาวะมันดับมันดับมันดับนั่นน่ะมันจะให้ปัญญาประจิตสมาธิให้สติสมาธิและปัญญาจากการรู้ลมสติสมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามไอโคลนมือมือเมื่มกีย ดูมันง่ายนทีนี้เราก็ต่อจากนี้ไปเราก็อานากันนะนั่งสบายๆก็เอาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเอาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอารัญญกตวาลุคามูรั ก, ลละกะตวาสุญญาคารักะตวาอยู่ในป่าก็ตามควรไม้ก็ตามเรือนร้างก็ตาม บาลังกังอาพุทิจิตวานิชีตินั่งขูบาลังเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่พวกเรานั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้ก็สมมุติให้เป็นคูบาลังเหมือนกันนะตั้งกายตรงเก็บมือเรียบร้อยอ่ะเก็บมือเรียบร้อยมือที่นั่งเก้าถ้าเรานั่งเก้าอี้มือเราเยียอย่างนี้ก็ได้วางแบบสบายสบายหรือมือฝาทับมือซ้ายก็ได้ตั้งกายตรง ดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้ายินี้เราก็หลับตาเรามารู้สึกเฉพาะหนะ้าโซตว่าะสติมีสติหายใจออกเราลองหายใจออกแล้วก็รู้มีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจเข้า เราอย่าไปหวังคาดกับความนิ่งนะต้องเข้าใจตรงนี้จะพูดไว้ก่อนเลยการมีสติไม่ได้หมายความว่าความนิ่งลึกซึมทื่ออยู่อย่างนั้นไม่ใช่ความมีสติหมายถึงความวยเนี่ยวิสุทธิสมาฮิโตกรร ม, มนิโยวิสุทธิคือความบริสุทธ ส, สมาฮิโตคือความตั้งมั่นกัรมนิโยคือความค่องแคล่วว่องไวต่อการใช้งานไม่ใช่ว่าพอเจริญสติแล้วมันต้องอ่อยเอือไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับการที่จะต้องให้จิตไปใส่ใจศึกษาลมหายใจอย่ามาสงสัยอย่างนี้มันเพ่งใช่ไหมเอออย่าไปเพ่งใหม่ๆมันก็ต้องกําหนดกันทั้งนั้นแหละแตกมากหรือน้อย เันเริ่มแรกพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใส่ใจลมหายใจยาวเราประคองลมหายใจกลางๆนะแล้วหายใจออกยาวๆแล้วก็ให้จิตรู้สบายๆรู้สบายๆต่อลมหายใจที่มันไหลออกกลางๆยาวๆแล้วหายใจเข้ากลางๆยาวๆรู้สบายสบาย หายใจออกกลางกลางยาวๆรู้สบายสบายไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจแค่รู้สึกต่อลมที่มันวิ่งออกวิ่งเข้ากลางกลางยาวๆกลางกลงยาวๆไปเรื่อยๆลมออกอย่างกลางกลางยาวๆลมออกเข้ากลางกลางยาวๆ ลูกฟุตบอลก็ไอ้ลยลมหายใจเหมือนลูกฟุตบอลน่ะของผู้เล่นที่เลี้ยงจากประตูนี้ไปประตูโน้นเลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่กลางสนาม ม, มันลูกฟุตบอลที่อยู่ที่เท้าของเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเตะไปเตะมาเลี้ยงอยู่ไปเงี้ยให้มันเกาะอยู่เงี้ยแต่ตอนนี้เราให้ลมยาวๆกลางๆจากนั้นเราก็มาลมปกติสบายๆ กลุมปกติสบายสบายใจออกรู้ ห้ใจเข้ารู้นั่งอยู่ในอารมณ์นี้ก่อนจนกว่าจะบอกให้หยุด สั่ลมหายใจมันคงที่สม่ำเสมอเบาสบายในระดับที่ปกติเลินลมหายใจมันหยุดนานหน่อยกว่าจะมีลมเข้าเดินเข้ากว่าจะมีลมเดินออกจังหวะมันหยุดนานให้เรารู้การหยุดของลมหายใจ ลมมันเบาสบายในระดับที่ปกติทั้งเข้าทั้งออกเมื่อลมออกสุดกว่าลมหายใจจะเข้ามันจะมีจังหวะหยุดที่นานกว่าปกติหน่อยเราก็รู้ลมหยุดซะพอรู้ลมหยุดจิตเกิดความรู้ในการหยุดของลมได้ชัดเจนแล้วก็หายใจเข้า จิตเกิดความรู้ในการหยุดของลมอย่างชัดเจนเราก็หายใจออกจิตเกิดความรู้ในการหยุดของลมอย่างชัดเจนแล้วเราก็หายใจเข้าจิตเกิดความรู้ในการหยุดของลมอย่างชัดเจนเราก็หายใจออกไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแค่จิตเกิดความรู้ว่าลมหายใจหยุดแล้วเราก็หายใจเข้า พอมันเกิดความรู้ว่าหายใจหยุดแล้วก็หายใจออก ถ้ามันเกิดเบาสบายก็แค่รู้เท่านั้นอความเบาสบายความปรากฏถ้าเรารูดูระหว่างเราไปรูดูนั้นเราไม่ได้รู้ลมก็ไม่เป็นไรก็เอาความเบาความสบายนั่นแหละมาไปนรมของจิตได้เราก็ดูเว้าเราดูความเบาความสบายมันก็เป็นเวทนา พอมันดับไปแล้วก็มารู้ลมหายใจ แล้วขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วก็อยๆย้ายเคลนมือขวาไปวางไว้ที่เข่าซ้ายให้เก่าขวาแล้วขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วค่ยื่นมือซ้ายไปไว้ที่เข่าซ้ายแล้วยกจิตกลับมาใบหน้ารู้อยู่เฉยเฉยพอหน้า ได้ประหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิ <c oughs> นี่เราสังเกตว่าในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจเราก็สามารถที่จะศึกษาพระพุทธเจ้าใช้สับว่าสิกคติ นี่บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราโม่แต่ไปศึกษาลมหายใจแล้วมันจะได้สมาธิตรงไหนเนี่ยพอเราพยายามที่จะไปยัดเยียดตัวสมาธิเราศึกษาลมหายใจมันก็คือรู้นั่นแหละแต่ละเอียดลงไปเราสามารถศึกษาลมหายใจได้และพระพุทธเจ้าก็ให้ศึกษานะ เรียกว่าสิกขติเวลาเราศึกษาลมหายใจแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งลมหายใจของเราได้ลมหายใจเราตกแต่งได้เรารู้ตามธรรมดาของมันได้เราศึกษาได้พระพุทธเจ้าให้เราหมดเลยที่เมื่อตะกี้เปรียบเหมือนเลี้ยงเรี่ยงลูกฟุตบอลอยู่ที่เท้า ลูกกุญแจอยู่ที่เท้าเราเราเขียยด้วยเท้าซ้ายเราเขียยด้วยเท้าขวาเราเตะไปบางทีมันก็เตะไปยาวบางทีมันก็เขียไปสั้นๆมันก็ไม่แน่แต่ที่สำคัญมันก็คือเป็นอยู่ที่เท้าของเราเราเขียยไปเหมือนกันจิตอยู่กับลมหายใจบางทีลมหายใจมันยาวไปมั่งมันสั้นไปมั่งเราก็ศึกษาเขาได้ แต่จังหวะที่พระพุทธเจ้าให้ศึกษาในลหมหายใจนี่ตอนแรกให้รู้ก่อนให้รู้ลมวหายใจที่มันยาวนี่รู้ลหมหายใจที่สั้นดีรู้หลังจากนั้นท่านก็ให้ศึกษาว่าเนื้อลหมหายใจเป็นอย่างไรลหมหายใจทั้งหมดตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมนี่เป็นอย่างไรท่านให้ศึกษาอันนี้เรียกว่าศึกษา แล้วเวลาลมหายใจหยุดเราก็รู้เวลาเรารู้ลมหายใจหยุดเดี๋ยวหายใจออกรู้ลมหายใจหยุดเดีวหายใจเข้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยใ้ช่วงจังหวะลมหายใจหยุดมันก็จะนานขึ้นความเบาความสบายก็จะเกิดมาความเบาเนี่ยเป็นปราโมทนะพอเบามากๆมันก็จะเกิดความอิ่มอยู่ในเป็นปิติแต่จิตก็ยังรู้ลมหายใจอยู่นั่นแหละ จิตยังเกาะอยู่กับลมหายใจแต่มันมีปิติเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ปิตินี้ก็แค่รู้มันไม่ใช่ของวิเศษมันไม่ใช่ของที่เป็นอัตตามันก็เป็นสิ่งใดใดที่ปรากฏอย่างหนึ่งเหมือนกันเราก็รู้พอเห็นปิติเกิดแล้วพอเห็นที่รู้ไปปิติดับพอเวลาปิติดับเนี่ยความสุขมันก็จะปรากฏ ความสุขจากการที่มันเกิดความอิ่มแล้วก็สหบบมาเป็นมาเป็นความสุขได้เราก็รู้แค่รู้เท่านั้นน่ะแต่ลมหายใจเนี่ยเราศึกษาได้ให้เราสังเกตว่าไอ้ตัวรู้ที่มันรู้ลมหายใจเนี่ยเพราะขณะในปัจจุบันนี้ในขณะ น, นี้เรา ทำงานด้วยการหายใจออกหายใจเข้าเราจึงรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเอาจิตไปรู้ในการกระทำของตนเองและเราไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรมันมีลักษณะหลายประการเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจเช่นการหยุดการปรุงแต่ง จิตอยู่ในกับปัจจุบันหยุดการปรุงแต่งในการทํางานข้างนอกเราหยุดการปรุงแต่งได้ไหมมันก็ได้มันก็มันก็หยุดมันก็รู้อยู่ในสิ่งที่ทําในขณะในขณะเวลาเราอยู่ที่บ้านเราอาบน้ำล้างจานดื่มน้ํากินข้าวกวาดบ้านถูบ้านเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็วิ่ง เราอยู่บ้านแล้วเราเอาสติที่รู้เนี่ยไปใช้ได้ไหมถ้าฝึกมันก็ได้หมด อ, อย่ะอาบน้ำได้ไหมอาบน้ำอาบน้ำรู้ใช้สติรู้ได้ไหม อ, อ, อาบน้ำรู้ร้อนเย็นเห็นมเห็นน้ำไหลต้องกายยา เห็นสบู่ถูไปมาเนี่ยออสบีพาทุกมาหลายนี่อาบน้ำออแปลงควันได้ไหมก็ออแปลงควันแปลงให้เป็นเห็นจังหวะมือที่เคลื่อนไหว เ, เห็นจังหวะมือบ้วนาน้ำบ้วนาน้ า, นานทุกคำไป รู้ใจตนรู้รสยารสยาสีฟันน่ะมันก็มันก็ไม่ปรุงอะ่ะมันก็รู้เชอะขณะที่มันเกิดใช่ไหมันขณะที่มันเกิดมันก็รู้เหมือนกันในขณะนี้งานเราคือรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเราก็ใช้สติรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าแต่ว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านมันก็มีงานอย่างอื่นในขณะในขณะเราก็เอาสติเข้าไปจับแล้วก็ไปรู้ในขณะที่ทำไม่ต้องไปปรุงมันไม่จําเป็นต้องปรุงถ้าเราจิตเราฝึกการไม่ปรุงได้ มันก็จะจบอยู่ที่ในความเป็นปัจจุบันของมันได้ในขณะในขณะเคียวข้าวกินข้าวได้ไหมฮะกินข้าวทุกคราวคำจงจดจำเป็นอาจินนับคำที่เคียวกินใช่ไหม นับได้หนือคำที่เคี้ยวกินเวลาเรนับคำที่เคี้ยวกินนั่นก็คือรู้การเคี้ยว <c oughs> ดื่มน้ำเหมือนกันดื่มน้ำกาหนดรู้น้ำไหลอยู่ในลำคอเย็นร้อนรถใดหนอนะ <c oughs> รู้รถใช่ไหม น้ำเย็นหรน้ำร้อนรู้เย็นร้อนรสไรหนอก็ชวนตื่นชื่นบานใจมันก็ตื่นจิตมันก็ตื่นรู้อยู่งั้นอ่ะมันก็ชื่นบานใจถ้าดื่มน้ําล้างจานได้ไหมเออล้างจานทีละใบเห็นน้ําไหลรินอาบจาน อาน้มันไหลดีหนาจานเวลาเราล้างนน้ำมันไหลดีหนาบจ า, า, า น, น, นาจาใช่ไหมเราก็เห็นมือจับพลิกรอบด้านเนี่ยหลังจากครอย่างนี้ว่าใครม่ร้างจานอย่างนี้ไหมมือจับพลิกรอบด้านตามดูจานตามดูใจก็ได้สติเหมือนกันทุกงานแหละเดินวิ่งได้ไหม ยิ่งสบายกวาดกวาดขยะกวาดฮะเออกวาดบ้านทุกย่างก้าวทุกฝีเท้าก้าวช้าช้าเออกวาดบ้านใครจะไปวิ่งกวาดเราใช่ไหมฮะกวาดบ้านทุกย่างก้าวเห็นฝีเท้าก้าวช้าช้ามือไม้กวาดไปมาสะอาดตาสะอาดใจ ใช่เปล่าล่ะเออเวลาเดินหรือวิ่งก้าวไปทีละก้าวเห็นฝีเท้าที่แตะพื้นแล้วเท้าแตะพื้นนะรู้สึกเท้าแตะพื้นนะรู้สึกเวลาเดินน่ะกายไหวใจนิ่งตื่นใจเท้าพื้นกลืนกลมเกลียว อันนี้คือใช้สติแล้วมันหยุดการปรุงได้หรืสติที่เรารู้ลงมาใจสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้ามันปรุงมันมีเรื่องทุกทีเพราะมันปรุงปั๊บมันจะมีกิเลสเข้ามาแทรกกิเลสที่มาแทรกส่วนมากก็จะเป็นโทสะโบหะโลภะราคะเวลาปรุงแล้วยิ่งเนี่ยส่วนมากจะพวกราคะพวกราคะพวกโลภะปรุงแล้วยิ่ง ปรุงแล้วหน้าเหี่ยวหุบเออไม่ใช่ปรุงหน้าเหี่ยวขอไปเพราะว่าคนคนคนรอมบางทีมันเหี่ยวโดยไม่ต้องปรุงก็ได้ใช่หมไม่ไม่ใปรุงแล้วหน้ากลุมนั่นน่ะโทสะพยาบาทคือถ้าจิตมันไปมันไปปรุงอ่ะปรุงปรุงปุงปรุงเนี่ยเราบอกไม่ตลกไม่ปรุงเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ถ้ามีสติได้ไหม และไอ้จุดที่ดีที่สุดคือคือการไม่ปรุงใช่ไหมล่ะเออแต่เราไม่กล้าเราไม่สามารถอยู่กับการไม่ปรุงไม่ได้เพราะเราไม่ฝึกเราไม่พร้อมที่จะอยู่โดยไม่ปรุงแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเงี้ยอยู่กับลมหายใจทำไมเราไม่ต้องปรุงอ่ะลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้อ๋อทำไมเราอยู่ได้โดยไม่ต้องปรุง เพราะฉะนั้นเหมือนกันมันเป็นขนาของงานที่เป็นปัจจุบันพอรออกไปข้างนอกแล้วก็มีการเดินการวิ่งการนั่งการกวาดพื้นการถูบ้านกวาดบ้านการหุงข้าวการล่างจานการกินข้าวการอาบน้ำการดื่มน้ำก็เยอะแยะไปหมดเราก็สามารถขับรถขับรถโดยไม่ต้องปรุงได้ไหมฮะสบายแต่มันก็ได้สิมันรู้งานในกระทำที่กาลังจับพมมาเลยก็รู้จับ วางไว้ก็่าก็รู้มันก็รู้รู้มันทําได้หมดอ่ะถ้าเราฝึกแต่เราปล่อยมันให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ไงเราจรึงต้องมาสถานที่แบบนี้เราจรึงมาฝึกสติเราจรึงไปคอร์สนั่นคอร์สนี่ค อ, อร์สน้นจงรู้ไว้เถอะบางคนไปคอร์สนูน่นคอร์สนี่ยังไม่รู้เป้าหมายว่าฉันไปทําไมแต่ฉันต้องไปอ่ะ แต่จงรู้ไว้เอที่เราต้องไปตามคอส ต, ต่างๆเพราะเราปล่อยให้มันแก่ตายไปเฉยๆไม่ได้เรารู้รอยู่แล้วแต่เราต้องไปแต่บางคนมันไปแล้วมันก็ไม่รู้นะบางคนนั่งเดินจงกรมตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสอง โอ้ยดีอกดีใจลงมาถึงโม่เพื่อนฟังรั่นโอ้โหวันนี้ฉัเดินต้องก้มที่เที่ยงทุกท้องทุ่งถึงตีสองแต่มันไม่ได้อะไรเลยได้มาโมยเพื่อนฟังเฉยเราเดินได้ไหมตั้งแต่สองนุ่งที่สองได้ก็ลองเดินเดี๋ยวนีได้สองทุ่งทุ่งที่สองทำไมจะเดินไม่ได้แม้คนนั่งเล่นไพ่สามวันสามคืนก็ยังเล่นได้เลยแม้ อ้าจริง<ม>บางคนที่ก็ชอบการพนันไม่ได้เล่นนะยืนนมือไพ่หลังอย่างเงี้ยมองมองพ่คนอื่นอ่ะได้เป็นคืนคืน <c oughs> เราเดินโยกกลมแต่ไม่มจะเดินไม่ได้ได้แต่มันได้ไหมเออมันได้ไหมแค่นั้นอ่ะมันเดินได้แหละแต่มันได้ไหมอืมได้เดินง <c oughs> ั้นเราต้องรู้ว่า วันนี้ตอนเช้ายกพาลีว่าตันหาทุติโยปุริโสเรามักจะเข้าใจผิดถ้าพูดไอ้แรงเขาเรียกว่าหลงตัวเองเรามักจะหลงตัวเองไปตามอำนาจของตันหาตามอำนาจของภพที่มันเป็นตามฐานะที่มันเป็น แต่แท้ที่จริงแล้วเรียกว่ารอขึ้นเขียงเหมือนกันหมดใช่ไหมรอขึ้นเขียงเหมือนกันหมดสวยกว่าเขาหน่อยก็ยิงขี้เร็วกว่าเขาหน่อยก็ท้อมีเงินมากกว่าเขาหน่อยก็อวดจนกว่าเขาก็น้อยเนื้อต่ําใจมันต่างกันตรงไหน ต่างกันไหมฮะมเษธีขับรถราคาสิบห้าล้านยี่สิบล้านอาเปะสูบยาเส้นใช้รถเข็นเก็บขวดขายต่างกันไหม ต่างปะไม่ต่างหรมันต่างกันด้วยตันหาเท่านั้นแหละมันต่างกันด้วยอํานาจของตันหาแต่ถามว่าความสุขต่างกันไหมไม่ต่างกันความจริงต่างกันไหมไม่ต่างกันเอาแปะนู่นเข็นรถเอากระสอบตั้งได้ขวดวันนี้เดินไปหยิบโอ้โหได้ขวดสามขวดอยู่ติ ด, ต, ดติดกันน้ําหมึนดีใจ เศษฐีเมื่อวานได้รวมเบ็ดทุกสาขาแล้ว25ล้านวันนี้ได้18ล้านจะตายให้ได้จะตายให้ได้หายไปเท่าไหร่หายไปเจ็ดล้านโอ้ยมันจะตายให้ได้นะแต่แเปะนี้ได้มาสามขวดติดติดกันเนี่ยโอ้ยดีอกดีใจเดินไปหน่อยไอ้ตุงนี้ ตรงนี้แต่ก่อนเคยได้วันนี้ไม่ได้แค่แค่รู้ว่าไม่ได้อะแปะก็เดินจากไปแล้วหาที่อื่นต่อพอได้เต็มกระสอบก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลริมทะเลมือไข้ไอ้ก็นอนขาไข้หมกเอ ห, หัวหนุนกระสอบหลับลึกหลับแบบโอ้ยสมองหลังศารอะไรนะสารอะไรวะอินดูฟีอะไรนะสาอไาอไนะ้เองความสุขอะ รู้สึกตัวขึ้นมาโอ๊ยสดชื่นโอ้ยหน้าตาสมัยมินก็ถูกเอออะเป้อโน น, อนหายไปเจ็ดล้านนอนไม่ได้เลยนะอยู่ไม่ได้เลยนะวันนี้ขาดไปเจ็ดล้านเนี่ยเพราะว่าอะไรารายรับรายจ่ายมันมากกันกว่าอยู่สองล้านมันต้องอย่างน้อยต้องได้ยี่สิบอะอย่างน้อยมันต้องได้ยี่ยี่สิบอะลำบากพูดถึงเรื่องความสุขไม่ต่างกัน ไม่ต่างกันความทุกข์ก็ยิ่งเหมือนกันอีกความทุกข์ก็เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ตัณหาเท่านั้นแต่ว่าตัณหามันเป็นเพื่อนไนงะมันเป็นเพื่อนเราอมันดึงเราไปมันนำหน้าพาเราไปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดนี่นะเห็นว่า ปัญหไอ้ตันห้าทุติโยปุริโรอัตธาทีฆะอัตธาณะชังสารังบุคคลมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องไปในสังสารวัตรชิ่นการอันยืดยาวมาดูเจ้ามีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องไปในสังสารวัตคือไอ้อันอื่นมันจากกันหมดอ่ะแต่ตันหาไม่จาก ออเกิดอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในป่ า, ามีตานาใช่ไหมทิ้งมาแล้วจากผู้จากคนจากบ้านจากถิ่นมาแล้วออกจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาอยู่สุราษฎร์มาแล้วไอ้คนอื่นที่อื่นไม่มาน่ะแต่ตัวที่มากับเราคืออะไรตนานาจากสุราษฎร์ธานีขึ้นมาอยู่กรุงเทพก็ทิ้งสุราษฎร์ธานีไปอีกแล้วทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมากรุงเทพ ดูเหมือนจะมาตัวคนเดียวแต่อะไรมาด้วยเป็นเพื่อนสองไอไปที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวไปเป็นน่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรไปด้วยตัหาเ น, นี่ยมันเป็นเพื่อนสองตามเราไปอยู่เสมอสุดท้ายทิ้งกายนี้ตายแล้วตายแล้วหมดแล้วความเป็นผู้เป็นคนแล้วร่างกายกเ๋าเผาไฟทิ้งแล้วนึกว่าจะไปแต่เพียงผู้เดียวที่ไหนได้อะไรไปด้วย ตัณหานอเออพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าทีฆะมัททานะสังสารังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ส, สิ้นการยืดยาวเอตมาธีนะวังยัตวาบุคคลพอมารู้เห็นโทษนี้รู้เห็นซึ่งโทษที่มันมีตัณหาเป็นเพื่อน จะพาตายเกิดตายเกิดตายเกิด อ, อยู่อย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันนี้ธรรมาพูดโยมยังรู้สึกไม่ได้นั่งไปอีกหน่อยอย่าเพิ่งตายอ่าใช่ไหมทําความเข้าใจกันก่อนนั่งไปอีกหน่อยคืออยู่ไปอีกหน่อยไงมีชีวิตยอยู่ต่อไปอีกอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวเราก็เจอตอนนี้เราเจออะไรไหมหมุมันเล่เหลี่ยมของตาหา เรื่องของความรักเรื่องชีวิตคู่เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของโอครอบครัวสังคมสุขภาพร่างกายเรื่องของขันเรื่องของนั่นเรื่องของนี่เรื่องโอทุกอย่างเราเจอมุมความทุกข์ของทุกๆเรื่องที่มีตาหาเข้าไปเกี่ยวพันไอต้ตาหามันก็บอกกับเราอ่าว่าต้องเอามาต้องได้ต้องเป็นต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้เสร็จแล้วมันไม่ใช่ช่วยรักษามันไม่ได้ช่วยเยียวยาเลยเพราะไอ้สิ่งที่เราได้มานั่นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เราว่าเราดูดีแล้วนะดูตั้งรากเห้าเลือดเถื่อเฒ่าเ่าก็พ่อแม่ความรู้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณการศึกษา งานหน้าการงานเพราะว่าเราดูได้สุดแล้วมันเป็นอย่างนี้แตอีกเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังสามีที่วพวกพ้องภรรยาใช้งานเกินที่เด็ติดคุกมันพูดเรื่องสังขารมันเปลี่ยนแปลงหมดสุดท้ายมันก็ให้อะไรมาเป็นทุกข์กับเราปัญหามันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวด้วยแต่มันจะทำหน้าที่เราให้หาใหม่อีก ได้มาอย่างนี้เลือกดีแล้วมันยังเป็นทุกข์ปัญหามันยังให้เราหามาอีกมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอสักเราแก่ไปเรื่อยๆได้เรื่องขันที่มันว่าของเรานี่ยเนี่นีก็เริ่มแล้วนะเริ่มนะน่ที่นั่งเก้าอี้นี่ก็เริ่มกันหมดแล้วทนอีกหน่อยอย่าตายอยู่ไปอีกทนไปอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะนั่งเก้าอี้ไม่ได้ เดี๋ยวเราจะนั่งเก้าอี้ไม่ได้ไม่เชื่อแล้วอย่าตายแล้วจะเจอรู้กันเดี๋ยวเราก็จะเป็นเรื่อยๆพิษภัยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเจอทุกข์กับมันพอทุกข์กับมันเราก็โอ้ยโอ้ยอ้ยเราไปเราไปนอนโรงพยาบาลอ่ะเราไปติดเตียงอย่างเงี้ยโอ้ยทรมานเจ็บปวดอย่างโน้นปวดอย่างนี้ปวดอย่างนั้นเวลาเราไปนอนเจ็บปวดอย่างงั้นไอ้ที่ตัณหามันเคยพาเราไปว่าต้องได้อย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างโน้นมันได้นึกถึงมั้งไหม ไม่นึกถึงแล้วมันเจ็บมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอาวถึงตอนนั้นตันหามันก็มาให้เรายึดอยู่กับขันนี่อีกให้มันยึดอยู่กับขันนี้อีกเราจึงต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานเสร็จแล้วเราตายไปเรามาใหม่มันไม่ทิ้งเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอีกแล้วมากับเราอีกแล้วหาอย่างเดิมเลยหาแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน เหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็ไปแบบเดิมแล้วก็มาอีกแล้วก็ไปอีกมาอีกไปอีกนี่แหละที่พระเจ้าว่าทีฆะมัตทานะสังสร้างท่องเที่ยวในสังสารวัตรสิ้นการอันยืดยาวพอเรามาเรียนรู้ศึกษาจนเห็นโทษเป็นแบบนี้นะเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าต้งบอกว่าเมื่อเห็นซึ่งโทษอย่างนี้แล้วเนี่ยสโต บุคคลเมื่อมาเห็นซึ่งโทษอย่างนี้แล้วเนี่ยวีตะนะงมหะอนาดานาอนาดานังสัตโตปริปปเชคือสำรอกคือพอเห็นโทษอย่างนี้แล้วนะสำรอกคือไม่เอาไอ้ตัวตันหานี่แล้ว เหมือนเราไปไหนกับเพื่อนที่เรารักมากก็ ร, รักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่เรารู้แล้วไอ้เพื่อนเราคนนี้มันเผาเรือนเราแต่เราไม่รู้จะสละมันยังไงไม่รู้จะละทิ้งมันยังไงแต่เราเห็นโทษแล้วแหละที่แน่ๆเราจะต้องเลิกกับมัน <c oughs> อ่าใช่ไหมเราแน่ๆเร า, ารู้แต่ไม่รู้จะเลิกยังไงเราจึง พยายามหาวิธีเพื่อที่จะเลิกกับมันได้ถ้าอย่างนี้แล้วไม่นานไม่นานเลิกแน่วีตะโดมหะอะนาธานาก็คือว่าเลิกกับตัณหาไม่ยึดถือสโตมีสติบริประเชแล้วก็เว้นรอบเว้นรอบคือว่าตัดเหยื่อของตัณหาออกไป เพื่อนเราที่ไม่เพื่อนเราที่เราว่าดีนักดีนามาอยู่กับเราตอนนี้เราเห็นแล้วมันเป็นโทษมันเป็นเพื่อนที่เผาเรือนเราแล้วไว้ใจไม่ได้เหมือนยิ่งกว่าเลี้ยงงูพิษทีนี้มันเว้นรอบคือตัดเยือ่อตัดเยื่อเลยไม่ให้ไม่ให้มันอยู่ได้มันจะเป็นไปเองนั่นอันนี้ชั้นใด เวลาเราเห็นโทษเห็นภัยของตัณหาเราก็ฉะนั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นและเราก็จะเลิกกับมันได้จริงๆนั้นการที่พวกเรามาปฏิบัติกันเนี่ยจงรู้ไว้นะเราอาจจะตอบคำถามให้กับตัวเราเองไม่ได้ว่าเรามาทำไมอาจจะตอบได้แต่พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคาอะไม่ชัดถ้อยชับคาว่าเรามาทาไมแต่จงรู้ไว้มาเพื่อเราจะเลิกกับมันนี่ มาเพื่อที่จะเลิกกับมันไม่จะเลิกกับใครหรอกเลิกกับตัณหานี่แหละแต่ตอนนี้เราไม่รู้จะเลิกกับมันยังไงเรายังเห็นโทษมันไม่จริงเดี๋ยวพอเราเห็นโทษมัน้เราจะเลิกกับมัน mm hmm. เพราะไม่เช่นนั้นเราก็ไอ้อย่างเดิมอะเหมือนเดิมเป๊ะชาที่แล้วเป็นอย่างไรชาที่แล้วมันไม่ดีไปกว่านี้แน่ใช่ไหม ถ้าชาตินี้เป็นอย่างนี้แสดงว่าชาติที่แล้วมันไม่ดีไปกว่านี้แน่นอนอชาติต่อไปมันก็คงไม่ดีไปกว่านี้ <c oughs> ถ้าตราบใดที่ยังมีเขาอยู่แต่ว่ามาชาตินี้เราโชคดีเรามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยะาณมิตรอืามาเจอพระพุทธเจ้านิยโอนี่ยเราได้มานั่งนั่งกันอยู่อย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทั้งนั้น